บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธรชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่องสังโยชน์โดยลำดับได้มาถึงอวิชชาสังโยชน์ซึ่งเป็นรากง่าวของสัพพิกเกเรททั้งหลายทั้งปวง อภิชานั้นโดยเนื้อหาแล้วคือความไม่รู้ซึ่งท่านชี้ไปที่ความไม่รู้ในทุกข์ในเหตุเกิดของทุกขในความรับทุกในข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับทุกไม่รู้เรื่องราวที่เป็นอดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตและไม่รู้กฎของเหตุผลที่เราเรียกว่ากฎของปัจยจกกาย ซึ่งเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าเวลาพูดถึงอวิชชานั้นจะพูดถึงแปดประการแตเ่เวลาพูดถึงตัวความรู้ขึ้นมาโดยเฉพาะพูดเรื่องสมาธิที่เป็นโล ก, กุตระก็พูดแค่รู้าริยสัจสีก็าสามารถขจัดอวิชชาได้หมดไปสิ้นไปได้ อันเป็นการแสดงเห็นถึงกระบวนการที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันของสิ่งทั้งหลายก็ทำนองคล้ายๆกับมีน้ำตามที่ปลายเทา้าเราก็เจ็บไปตลอดทั้งตัวเหมือนกันหรือมีไปกระทบที่ศีรษะมันก็เจ็บไปตลอดทั้งตัวนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องกัน แต่เป็นการแสดงโดยรูปของปริยัตินั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับเรานำส่วนประกอบของยามาคุยกันแต่จริงยาก็รวมอยู่ในมันเด็ดแต่แต่ละมันเด็ดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องการจะชี้แจงส่วนประกอบของยาแต่ละเม็ดไปเห็นว่ายาเหล่านั้นมีส่วนประกอบอย่างนั้นอย่างนั้น แต่เวลาประทานก็รั บ, รบประทานเข้าไปตามที่บอกไว้ผลต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องของยาที่จะทําปฏิกิริยาต่อสมุธฐานโรคต่ออาการของโรคสร้างความสบายเกิดขึ้นจนเมื่อสมุธฐานของโรคหมดอาการของโรคก็หมดความสบายก็เกิดขึ้นเต็มที่เพราะในแนวที่มีการพูดถึงอวิชชาโดยดำรับ ความไม่รู้ในอริมัรคีองปประการ น, นั้นก็มีอยู่ทั้งสามระดับคือไม่รู้ในระดับของการศึกษาเรียนรู้โดยกการไม่เข้าใจเหตุเหตุไม่เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลอะไรซึ่งตามปกติแล้วระดับนี้มีน้อยเพราะแต่คนเราร่วงการผ่านวัยหมวกซุ้มควรก็เข้าใจเหตุผลในระดับนี้เพียงแต่ว่าอาจจะขาดความรู้ระดับคิด ที่นำมาคิดพินิพิจารณามองเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งดดนั้นเรื่อจะคิดได้สามารถอธิบายชี้แจงตลอดถึงเขียดขีนนำไปพิปรายนำไปปาตากถาได้แต่ความรู้ยังไม่ถึงขั้นที่ละกิเลสหรือว่าเพิ่มพูนธรรมะขึ้นมาได้จะในความไม่รู้เรื่องของสัมมาวาจา ในความเป็นสมาวาจานั้นพึงสังเกตว่าถ้าการของวิชามันมากมันก็จะออกมาในรูปของมิจฉาวาิจาซึ่งเป็นการพูดซึ่งเกิดขึ้นมาจากความริษยาบ้างความโกรธบ้างความเบียดเบียนบ้างความไม่รู้บ้างและสิ่งที่พูดนั้นก็จะออกมาในรูปทุจริตทั้ง4ี่ประการ ไม่ว่าจะสรงแสดงทุจริตกี่ครั้งประตามจะพูดทุจริตเพียงสีประการเท่านั้นนั้นก็คือพูดถ้อขัำที่เป็นเท็จถ้กรรมที่เป็นเท็จนั้นบางเรื่องมารก็พูดโดยโมหะคือความไม่รู้จริงบางเรื่องก็พูดโดยโทสะต้องการจะเบียดเบียนทํำลายผลประโยชน์ที่เขาจะได้จากการฟัง ข, งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นบางครั้งก็จะพูดโดยโลภะ คือต้องการผลประโยชน์ที่จะได้จากการพูดก็นี้เพิงสังเกตเช่นมีการกล่าวถึงความดีหรือความชั่วของคนในความเป็นคนนั้นเรามีความรู้สึกรักชังถ้าคนที่เรามีความรู้สึกกลางๆนั้นจะพูดง่ายคือพูดตามความจริงได้ง่ายเพราะไม่ต้องต่อสู้กับอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในใจมากนัก แต่พอพูดถึงคนที่เรารักเราชังนั้นจะมีปัญหาทันทีทั้นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรักความชังอยู่ในคนดรานั้นพอพูดถึงความดีของคนที่เรารักแม้จะน้อยก็พูดเสียมากแต่พอพูดความชั่วของคนที่เรารักแม้จะมากก็พูดเสียน้อยแสดงว่าทั้งสองอย่างนั้นมุสาทั้งนั้นแต่พอพูดถึงความดีของคนที่เราชัง แม้จะมากก็พูดแต่น้อยก็พูดความชั่วของคนที่เราชังแม้จะน้อยก็พูดเสียมากมันก็เท็จอีกทั้งสองข่ายเพราะอิทธิพลจริงๆมก็อยู่ที่ความรู้สึกรักชังถ้าถามว่าความรักชังนั้นมาจากไหนมาจากอวิชชาคือความไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงประความรักความชังเป็นทางให้เกิดความทุกข์ความรักเป็นอาการของกิเลสประเภทโลภความชังเป็นอาการของกิเลสประเภทโทสะ เป็นในอริยสัจเป็นสมุทัยในอริยสัจเมื่อทำพูดอะไรออกไปตามอาการของสมุทยัยความทุกข์ก็จะติดตามมาเพราะ้นคนจึงประสบ ป, ปัญหาเพราะการพูดเท็จบางครั้งบางคราวรุนแรงจนถึงต้องติดทุกข์ตรังเช่นเป็นพยานเท็จในโรงสารเป็นต้นคำพูดที่มีลักษณะโสเสีย เรายุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานทะเลาะวิวาททำลายล้างต่อสู้กันเป็นศึกสงครามเกิดขึ้นมาจากความเบียดเบียนก็ได้เกิดจากความโกรธก็ได้ความริษยาก็ได้ความแข่งดีก็ได้เกิด ข, ขึ้นมาจากความโกรธความาคาดพยาบาทก็ได้แต่จะมีอวิชชาคือความไม่รู้บาปบุญคุณโทษอยู่เบื้องหลังตลอด การที่ใครยุยงให้ใครแตกแยกกับใครนั้นกําหนดลงไปไม่ได้ว่าเกิดมาเกิดขึ้นมาจากอาการของกิเลสข้อไหนแต่แน่นอนที่สุดคือเกิดขึ้นมาจากกิเลสแต่ทุกอย่างนั้นจะต้องมีอวิชชาอยู่เบื้องหลังเพราะอะไรเพราะการพูดในลักษณะนั้นมันมีโทษรุนแรงเรื่อยไปจนถึงทําสง์ให้แตกจากกันที่เรียกว่าสังขาเภศ สังเระเป็ก็คืออาการของสอดสีาการของยุยงให้เกิดความแตแกแยกร้าวฉานแล้วพระทสสคงเหล่านั้นก็ไม่รวมกิจกรรมกันเป็นจิตคิดประทุษรายต่อคนจำนวนมากและผลจากการคิดการประทุษรายนั้นจะกระทบกระเทือนยาวนานบางทีก็ผ่านยุคผ่านสมัย คนรุน่นต่อไปก็อาจจะผูกอาฆาตพยาบาทกันเพราะสืบเรื่องมาจากการยุ่ยแย่ในครั้งก่อนนู้นจนนั้นด้นนั้นอาการของวิชา ต, ตรงนี้ก็จะนําคนให้ประสบความทุกข์ตั้งในปัจจุบันได้กว่าประสบความทุกข์ตั้งในการาาพายภักหนักคาหยาบเกิดขึ้นจากโลภะก็ได้เกิดขึ้นจากโทสะก็ได้เ ก, กิดขึ้นจากโมหะก็ได้เกิดขึ้นจากลิษยาก็ได้ แตทั้งหมดก็มีวิชายอยู่อีกพึงลองสังเกตว่าการกล่าวคำหยาบนั้นความหยาบมันเกิดขึ้นที่จิตก่อนถ้าจิตไม่หยาบคําที่กล่าวนั้นก็เชื่อว่าไม่หยาบแม้ว่าจะเป็นภาษาที่ไม่ไพเราะสละสโลยก็ตามการมองว่าคํานั้นหยาบหรือไม่ก็อยู่ที่จิตหยาบหรือไม่จิตโกรธ จิตอาฆาตพยาบาทจิตแข่งดีจิตเลสยาจิตคิดเปียดเบียนแด่พูดต้อยคำเหล่านั้นออกไปบางครั้งแม้ภาษาสละสะบวยไพเราะท่านก็ถือว่าเป็นคำหยาบประเด็นสำคัญที่ขนต่อเนื่องจากนั้นก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจที่ผู้พูดจะพึงได้รับสัตบุตรุษผู้รู้เห็นการพูดของเขา ก็จะตำหนิตีเจียบชื่อเสียงในทางไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามของเขาก็จะเป็นที่รู้กันแพร่หลายอย่าสูญเสียความมั่นใจในตัวเองอย่าเข้าไปในสถานที่ใดก็ไม่มั่นใจ <c oughs> ไปถูกคนอื่นมองด้วยความระบาดระแวงด้วยความดูหมิน่นด้วยความไม่เชื่อถือด้วยความรังเกียจก็เข้าไปในสังคมแล้วจะต้องคอยรบตอนทัด จะถึงก็หลงตายแล้วก็ตายบังเกิดในทุกขตินั้นแสดงเห็นว่าถ้าเราขจัดอวิชชาจะได้เรียวกว่ารู้เหตุของความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญเพราะว่ามิจฉาวาจานั้นเป็นเหตุแห่งความเสือ่อมแต่ความเสื่อมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เราพูดอย่างเดียวแต่กาเกิดขึ้นแก่เราด้วยและบางทีคนที่เราพูดผู้เทศผู้สอดเสียดผู้กำยาบนั้น เขารับความเดือดร้อนเฉพาะในขณะนั้นแต่ว่าเรานังจะเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเพราะว่าจิตุจริตนั้นจะนําไปสู่อบายด้วยเราจะเห็นอาการของวิชาอยู่ชัดเจนว่าในขณะที่มีความรู้สึกรักตัวเองท่นุถนอมตัวเองปรารถนาความเจริญนะั้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ก็สร้างเหตุให้ตัวเองประสบความเดือดร้อน อวิชชาจึงปิดบางเหตุผลสติปัญญาเอาไว้ไม่รู้แม้แต่เหตุได้เกิดความสวัสดีแก่ตัวเองการพูดคำหยาบเป็นลักษณะาอารมณ์ที่ไม่ตั้งมั่นขาดเหตุผลขาดความรอบรู้ในกระบวนการของการพูดสาระในสิ่งที่ตัวพูดก็ไม่มีตัวเนงก็สูญเสียเวลาสูญเสียชีวิต ต้องเปล่งวจีทุจริตเป็นการสะสมบาปไปเกิดขึ้นภายในใจคนที่ฟังไปแล้วก็ไม่ได้สาระประโยชน์อะไรหือในการพูดนั้นอาจจะพูดโดยโมหะอาจจะพูดด้วยความสนุกสนานความคึกก น, นองหรือพูดด้วยความริษยาแข่งดีอะไรใครก็ตามแต่การพูดคำเพื่อเจอนั้นล้วนแล้วแต่มาจากกิเลส ท, ทั้งนั้น ต้นการไม่รู้ในส่วนนี้ก็เป็นเหตุนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองนานกว่าคนที่รับฟังข้อมูลข่าวสารจากเราซึ่งก็ น, นี้ท่านศาสตราจตุรงษาเจนว่ามันก็เหมือนข้ออื่นๆเช่นว่าคนที่ฆ่าคนอื่นตายเนี่ยมันก็กลับมามองว่าเราจะเห็นว่าอาวิชชาเนี่ยมีอยู่มากเพราะอะไรเพราะคนที่เราฆ่าเขาตายนั้นเราจะฆ่าหรือไม่ฆ่าเขาก็ต้องตายอยู่แล้ว เพราะความตายเป็นธรรมดาของชีวิตแต่ในขณะที่ถูกเราฆ่านั้นถ้าเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติมีความสุขใน ส, สวรรค์ก็ดีกว่าเป็นมนุษย์โดยธรรไปแต่เราเองนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าใครเราไม่มีการฆ่าคนเป็นธรรมดาแต่เรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อ ไปทำบาปทำมกุศลอย่างนั้นเราก็เดื อ, รอดร้อนในปัจจุบันถูกจกบคุกคุมขังลงโทษติดคุกติดตารางเสื่อมเสียชื่อเสียงบงสกักดอยญาติพี่น้องก็พอเดื อ, รอดร้อนตายไปแล้วตัวเองก็ต้องตกนรกนั่นก็คืออาการของวิจาที่เห็นได้ชัดเจนว่านาความเดื อ, รอดร้อนมาสู่ตัวเองเพราะในอริยมรรตัง ฝ่ายที่เป็นอรมิมักคือสัมมามักนั้นที่จริงก็เป็นทางที่อยู่ตรงกันข้ามกับมิจฉามักคือทางผิดมันก็ดูแล้วทำนองคล้ายๆกับคนเดินไปในที่มืดบุกป่าผ่าดงผากน้ำไปอุดตุดไปหมดทั้งๆที่ทางเดินนั่นอยู่ใกล้ๆนั่นเองแต่ตัวเองมองไม่เห็น เดินไปก็ประสบภัยอันตรายเดือดร้อนบาดเจ็บเกิดเป็นแผลขึ้นมามากปังน้อยปังเพราะมรรคท่านจึงถือว่าเป็นถนนประกาบเป็นถนนสองสายคือเรียกว่ามิจฉามรรคคือทางที่ปิดสัมมามรรคก็คือทางที่ชอบมีผลแตกต่างกันคือมีความทุกข์เป็นผลมีความสุขเป็นผล ผู้ที่เดินไปบนทางทั้งสองนั้นเรียกว่าทุกขโตคือเดินไปชั่วสถานที่ไปก็คือทุกกติพวกนรกเปรตดิราชานาสุรกายสายหนึ่งก็เรียกว่าสุ ก, กุโตคือเดินไปดีสถานที่ไปจุดหมายปลายทางก็คือสุ ก, กติแล้วกะติที่ดีหรือสถานที่ที่ดี สถานะตัวเองก็เป็นคนดีมีความสุขที่ที่อยู่ก็ดีหมายความว่าตนเองก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีคนที่แวดล้อมก็ดีเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ท่านยังเรียกว่าสวรรค์เป็นความสุขระดับโลกิยะสวรรค์ก็คืออารมณ์มันเลิศเพราะเห็นรูปที่ดีๆฟังเสียงที่ดีดมกลิ่นดีดิ้มรสที่ดีดีสัมผัสที่ดีๆจิตใจก็เบิกบานจิตใจก็เชื่อมชื่น ท่านยังเรียกว่าเป็นผู้เพลิดเพลินเพลิดเพลินบันเทิงอยู่ในสถานที่ตอนนั้นแต่เพราะอาวิชามันปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้คนก็เกิดความไม่รู้ในระดับของมิชาวาจามิชากรรมรรมมิชาชีวะคือความผิดสามประการเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องระดับเหตุผลธรมธรมดาธรรมดา หมายความคนเราถ้าสามารถขจัดความรุนแรงของอวิชชาลงไปได้หรือความหลงลงไปได้ก็สามารถจะยับยั้งตัวให้เกิดความสวัสดีได้แต่เพราะอาวิชชามันปิดปังเขาไว้เขาอาจจะมีปัญญาระดับรู้ระดับเรียนรู้อาจจะมีปัญญาระดับคิดได้ แต่ไม่มีปัญญาระดับที่จะดําเนินชีวิตตนให้เป็นไปในคันลองแข่งธรรมที่เป็นสัมบามักได้เพราะในสมากกรรมตะคือการงานผิดหมายความการดําเนินชีวิตในทางที่ผิดมันก็เป็นอาการของวิชาตที่ชัดเจนเหมือนกันเพราะมีลักษณะอย่างที่โบราณท่านพูดตึงการโถมน้ํำลายรถฟ้าการปาฝุ่นทวนลม การถือครบเพลิงทวนลมหรือแม้แต่การศาสตร์โครนใส่กันตัวนั้นแตเป็นการประทุษรายต่อตนเองเท่านั้นบางเรื่องนั้นประทุษรายต่อตัวเองโดยเฉพาะบางเรื่องมันมีลักษณะปะศสาสตร์โครนใส่กันอย่างนั้นมิชากมันตะก็คือเรื่องของการละเมิดศีล ส, สามข้อแรก ขาดจิตสํานึกที่จะมองชีวิตของบุคคลอื่นด้วยความเข้าใจเพราะแนวของศีลเป็นแนวคิดอุปมาไม่ใช่แนวคิดลึกซึ้งอะไรนักหนาก็เรียกเป็นสามัญสํานึกกันั่นเองแม้แต่การเกิดของศีลในยุคอดีตตั้งแต่ต้นๆที่เราเรียกว่ายุคปฐมบันยุคที่คนเริ่มเกาะกลุ่มอยู่กันเป็นพวกเป็นหมู่แล้วก็เป็นความคิดแบบสามัญสานึก ทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่าถ้าคืนละเมิดกันอย่างนี้การอยู่ร่วมกันโดยปกติสุปก็มีไม่ได้จะกลายเป็นความบาดระแวงเป็นภัยเป็นอันตรายความเดือดร้อนไม่รู้จักจบสิน้นคนเหล่านั้นก็เกิดสํารวมระวังขึ้นมาส่วนใหญ่เมื่ก็เกิดสํารวมระวังส่วนใดที่ไม่ยอมสำรวมระวังก็มีมาตรการในทางกฎหมายเข้าไปใช้ในการจับกลุมกลุ่มขังลงโทษ เราจึงพบประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในยุคอดีตว่ามีการลงโทษคนที่ทำผิดในสามเรื่องนี้อย่างรุนแรงเช่นไปฆ่าคนอื่นตัวเองก็ถูกฆ่าลักทรัพย์คนอื่นตัวเองก็ถูกยุดทรัพย์แล้วก็ทำลายอวัยวะที่ที่ลักเช่นเอามือไปลักก็ตัดมือการร้วนละเมิดในทางประเวณีจะเป็นลักษณะประชาทัน สังคมจะช่วยกันเอาก้อนหิก้อนหินขวางปลาให้ได้รับบาดเจ็บก็ล้มตายไปและไม่ถือว่าเป็นความผิดเราจะเห็นว่าเป็นอาจญาของสังคมเป็นกฎหมายของสังคมที่ลงโทษแต่ถ้าคนไม่สามัญสำนึกสารวมระวังมันก็ไม่มีอะไรเพราะจริงๆแล้วมนุษย์โกปกติมันก็เป็นอย่างกันอยู่แล้วบางทีศีลันยังแปลว่าปกติ ปกติกายปกติวาจาตรงนี้คือปกติกายการ ด, ดําเนินชีวิตการใช้กายของตนนั้นไม่ประทุษร้ายต่อกายคนอื่นต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นและขึ้นที่ได้และขึ้นที่ไม่ได้ทั้งกรต่อคู่ครองของบุคคลอื่นแต่ลองสังเกตว่าเพราะวิชาบันปิดบังเอาไว้อัดีกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง3ามเรื่องตรงนี้รวมถึงวิชาวาจาที่ว่ามานี การกล่าวใส่ร้ายป้ายสีการกล่าวหาการการประทุจร้ายร่างกายชีวิตทรัพย์สินจนเกิดสภาพที่เรียกว่าขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นภาษาที่พูดเ ม, มื่อไหร่ผมก็ถูกเมือนั้นเพระาะว่าศาสตร์โลกมันก็เป็นของอยงของเขาอย่างนั้นเองทพเจ้าทรงมองมาตั้งแต่ตอนตน้นแลวทรงเห็นปัญหาตรงนี้ ทรงเปล่งเป็นพระพุทธทธานด้วยความสังเวชพระไทยเรืงการเบียดเบียนประทุสรายชีวิตทรัพย์สินคู่ครองกันแกลหาใส่รายายสีกันไม่ได้จักจบจักสิน้นสักทีแล้วก็ทําบาปมากกว่าทําบุญการเบียดเบียนกันเหล่านี้จึงสร้างความไม่สงบขึ้นในสังคมมันเริ่มมาจากใจคนที่ไปทําอย่างนั้นใจเขาเริ่มไม่สงบ เขาแก้ปัญหาที่ใจเขาได้ปัญหามันก็ไม่ออกมาข้างนอกแต่เพราะวิชามันปิดปังเหตุผลส ต, ติปัญญาเอาไว้ไม่สามารถที่จะนำสติปัญญาซึ่งควรจะมีมากพอที่จะหยุดกั้นความคิดจนถึงกระเมือได้ก็ทำให้พฤติกรรมของบุคค ล, ลนั้นออกมาในรูปของการปฏิสระสต้นบางครั้งเราก็มีความรุนแรง เป็นการกระทบกระเทือนอย่างแรงเป็นรูปของจราจนเป็นรูปของม่กระสัญญีตีหมายความว่าคนที่ถูกฆ่าทรัพย์สินที่ถูกทํำลายไปหรือแม้แต่ผู้ปครองถูกละเมิดไปคนเหล่านั้นก็ประสบความทุกข์ในชาติปัจจุบันแต่คนที่ทํานั้นจะประสบความทุกข์ในสัมภาระภพตลอดกาลย า, าวนานเราจะาเห็นว่าอาวิชชามีอยู่มาก ทำอะไรทั้งหมดนั้นนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองเป็นหลักแม้แต่การเลี้ยงชีพซึ่งอยู่ในกลุ่มของศีลเช่นเดียวกันกลุ่มของศีล น, นั้นก็คือกลุ่มของสมาวาจาการเจรจาชอบสมากรรมตะทําการงานชอบสมาชีวะเลี้ยงชีพชอบเป็นเรื่องของศีลก็มีอยู่เจ็ดข้อแต่นั้นเองอย่างอื่นศีลอย่างอื่นถือว่าเป็นองค์ประกอบ เป็นอุปการะเป็นตัวเสริมเป็นตัวสนับสนุนท่านเั้นเองทํานองคล้ายๆกับพวกบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ที่ว่ากันว่ามีถึงสิบบารมีแด้จริงแล้วมีบารมีหลักอยู่เพียงสี่บารมีหรืออาจจะนับเพียงสามก็ได้หรือทานสีเนคขมะปัญญาในคมะนั้นเป็นรูปแบบของชีวิต ที่ต้องการจะรักษาและเพิ่มพูนฐานศีลปัญญาเท่านั้นเพราะนอกจากนั้นอีกหกอย่างก็เป็นอุปการะหมายความยังไงหมายความบางอย่างเป็นฐานใจที่ต้องใช้ไปทุกกรณีเช่นเมตตาสัจจะความอดทนความเพียรพยายามความมั่นคงทางใจมันใช้ทุกเรื่องมันเป็นฐาน ที่จะรองรับความดีงามต่างๆซึ่งเกิดแล้วก็เพิ่มพืนขึ้นเพิ่มเพิ่มพูนขึ้นในดำร ง, งคงอยู่เบืขาเป็นการใช้ควบคู่กับปัญญาเพราะเบือขาก็เป็นอาการของปัญญาเพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าในอริยามรรคจริงๆพระเจ้าก็แสดงศีลไวเพียงเ็ข้อจะเป็นองค์มรรคเพียงสามข้อ สมาวจารสมากรรมตสมาชีวะดังติกล่ารแล้วทั้งหมดเป็นความคิดระดับสามัญเขาเรียกาสามัญสํานึกหรือว่าจิตสํานึกหรือว่าใจเข้าใจเราการเลี้ยงชีพทั้งหมดนั้นเรียกว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดำรงชีวิตอาศัยใช้อาศัยอยู่อาศัยกินอาศัยบําเพ็ญประโยชน์ตามโครงสร้างของการหาทราบการ รักษาทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์การทําประโยชน์จากทรพัพย์ดังที่เคยกล่าวไว้แต่ว่าคนเป็นนั้นมากเพราะวิชาปิดปังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้มองตัวเองคล้ายๆจะอยู่คําฟ้ามองทรัพย์สินคล้ายๆจะอยู่คําฟ้าควบคู่กับตัวเองตัวเองสามารถบริโภคใช้จ่ายทรัพย์สินเหล่านั้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ตัวต่อการ คนจึงไม่ใส่ใจในวิธีการในการสแสวงหาแต่จะใส่ใจเฉพาะสิ่งที่ตนได้มาจึงมีปัญหาทุกลาดับขั้นตอนของความคิดตั้งแต่ความคิดนะ่ยความคิดเป็นอาการของความโลภอยากได้จนถึงของของบุคคลอื่นถามว่าทำไมาคิดเช่นนั้นก็เพราะว่าเขามีอวิชชาปิดปังองเหตุผลสติปัญญาเอาไว้ าการโลภอยากได้ของบุคคลอื่นนั้นเป็นอกุศลชั่ริดเกิดขึ้นภายในจิตมันก็เผาหลนจิตเราก่อนอื่นแล้วแล้ถ้าทําพูดเลี้ยงชีพไปตามกระแสของโลภที่บังเกิดขึ้นโดยขาดการควบคุมบังคับบัญชามันก็กลายเป็นความรุนแรงกลายเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิตอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์อาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศ ซึ่งก็เป็นการทําลายสันติสุขภายในสังคมเป็นปัญหาสังคมที่เรียบขาดความมั่นคงทางสังคมคนที่ประสบความเดือดร้อนเหล่านั้นที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดถินธรรมของบุคคลบางคนนั้นถ้าเขาไม่ทาชั่วด้วยก็ก็เดือดร้อนเฉพาะในขณะนั้นนั้นแต่ว่าคนที่ไปทําอะไรไปตามอำนาจของวิชา นอกจากประสบผลความเดือดร้อนในปัจจุบันแล้วจะต้องเดือดร้อนในชาติต่อไปด้วยแต่คนเหล่า น, นี้ก็มองไม่เห็นไม่ได้มองไกลขนาดนั้นจึงมีความคิดในลักษณะปฏิเสธสังสาราวัฏปฏิเสธกรรมคนเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวจุ่มเมืองผีดีเมืองคนอะไรแต่อะไต่างๆนี่มันเป็นความคิดที่มีอาการของวิชาโย ทังๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของการละเมิดศีลและอนิสงค์ของการมีศีลเอาไว้ในที่ต่างๆเป็นมากแม้ในท่าท้องศีลอย่างที่สมาทานกันไปแล้วก็ทรงแสดงอนิสงค์เอาไว้ในที่อื่นก็ทรงแสดงโทษของกุศลทุจริตจนว่าทำไปแล้วตัวเองจะติเตียนตัวเองได้จะมีวิปัิสารคือความเดือดร้อนใจ จะมีการตำหนิตีเตียนจากบุคคลอื่นจะไม่มั่นใจในตัวเองเมื่อเข้าไปสู่สมาคมไม่ส้หนาู้ตาคตแล้วจะประสบความเสื่อมในด้านต่างๆอีกเป็นอันมากอันนี้เป็นเป็นผลที่ดูกันได้เข้าใจกันได้ในชาติปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงถึงผลที่เขาได้รับต่อเนื่องจากการกระทำบาป ว่าจะตายอย่างไม่มีสติคือหลงตายแล้วจะตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกขติสงใช้คำอย่างนี้ทุกแข่งตลอดมันไม่ใช่กี่ครั้งถามมากี่พันครั้งแ้วใช้คำเหมือนกันหมดบารีใช้คำว่ากายะสะเพดาประนมาาัมนาทุกติวิิปาตางังนิระยังอุปปัชชิต หลังจะตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกขติวินิบาตนารกอสุรกายเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองสร้างนารกขึ้นใส่ตัวเองสร้างอัตภาพเปรตขึ้นใส่ตัวเองสร้างความเป็นอสุรกายขึ้นมาใส่ตัวเองแต่ที้จริงมันก็อยู่ภายในจิตมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าจิตที่มีความโลภจัดนั้นก็เป็นจิตเหมือนกับจิตของเปรตจิตที่โกรธจัดเหมือนกับจิตของสัตว์นรก จิตที่หลงจัดเมื่อจิตของสัตว์เดรัจฉานก็สแสดงว่าอาการทั้งหมดนั้นเป็นอาการของโรคปวดตรงแล้ลักษณะของสัตว์เดรัจฉานเราก็มองกลับไปที่ว่สัตว์รัานนั้นเป็นสัตว์ที่ไร้เดียงสาคือไม่มีเดียงสาไม่มีสติปัญญาที่จะคิดอะไรพฤติกรรมทั้งหมดมาจากอะไรมาจากอาวิชชา อาการของสัตว์เดรัจฉานเป็นอันมากที่เราเห็นในชัดว่ามีอวิชชาจุใจเป็นภาพของแมลงเมา้าเป็นข้าวของไฟเป็นภาพของสัตว์ที่ต่อสู้กันเป็นสัตว์ที่วิ่งไปในกระแสน้ําตกลงไปในกระแสน้ำอะไรอะไรประสบอันตรายทีหนึ่งเป็นฝูงฝูงเป็นจํานวนล้านล้า น, นตัวก็มีนั่นคืออาการของโมฆะ ไม่รู้เหตุของความเสริมความเจริญจะเกิดขึ้นแก่ตนในขณะนั้นและการเหล่านี้ก็มีอยู่ภายในใจคนเพราะนยามใดก็ตามที่ขาดเหตุผลสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาที่จะป้องกานาันภัญหาที่จะขจัดปัญหาที่จะเสริมสร้างสิ่งดีงามขึ้นภายในใจก็เป็นการแสดงว่าอาวิชชาได้เกิดขึ้นแล้วก็มีกำลังครอบงำใจมาก ตอนที่นี่ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุข ต, ต่อไป